พระธรรมเทศนาแผ่นที่95าลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่17สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าคำก็ปฏิปทาสองคำก็ปฏิปทาบุญ น, นี พี่น้องนักขอนเวียงจันทร์มาหลวงพ่อจะบอกเป็นภาษาอีสานเมื่อเนี่เป็นวันที่17สิงหาคมพุทธศักราชสองพันหารอยหาสิบเก้ามื่กวานพวกเข้าได้รับข่าวที่บ้านนาจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นเมื่อวาน ก็ตูวแวนเป็นโน้มอุปถัมภะถากรวัดเทามาตั้งแต่ฤเริมสางวัดตั้งแต่นับก่อไก่ก่อไก่และเหลกหนึ่งมันไปเป็นโน้มอุปถัมภะถากรวัดของเท่าม้าโดยตลอดตั้งแต่ปีสองสามจนเป็นปีหาสเก้าปีนี้แหละนับเพิ่มสักปีละสัท้ายเนี่ยโน้มลูกหลานแต่หมู่ว่าในสิ่งที่บกขาดบกคิดก็เกิดขึ้น คือผู้เฒ่าจะไปหน้าอายุเจ็ดสิบแปดปีนั่งรถมอเตอร์ไซค์นั่นนะ่ะผู้เฒ่าให้ละมัดระว่างเนะี่ขับรถขับล่ามอเตอร์ไซค์พ่อไปแล้วเกิดก็ในเบื้องรถทั้งหน้ามันตาก็บอเห็นอย่างว่านะ่ยตามันก็ตาผู้เฒ่านะถึงจะตาดีปไปนะเกิดขึ้นว่าขึ้นตาโพนมัมสมองคือกันตาคือกันหูขึ้นกันนะ่ะมันเสื่อมไปน้ากันกมืดนะนะ่ะเ่ราะเขาเหลี้ยวรถ เกือบจะวิตถนนลดขนาดกมา마รวยความเร็วสูงปีกอัพมาก็กือส้นกระเด็นจะว่าตายครับหมองก็ว่าได้ปกจากนั้นก็เอามาร่วงพยาบาลก็ไปว่ามดไปแล้วหมู่ว่านก็เลยตั้งศพอยู่ในบ้านหลวงพ่อก็ได้ไปสวดมาธิกาบังสกุลตอนเย็นมู่ว่านเนี่ยแต่ตามปกติหลวงพ่อก็บบคอยได้ไปใช้ง่ายๆหรอกอันนี้ถือว่าเป็น มุกเป็นคนที่สําคัญของวัดเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ของวัดลุงพอก็ได้ไปนั่นน่ะไปบอกไปกล่าวไปเว่กับพี่น้อง ล, ลูกหลานแล้วก็ทราบว่ามืออื่นมืออื่นเป็นวันพระใหญ่พร้อมเนี้เป็นวันพระใหญ่สิบผาคำขึ้นสิบผาคำเดือนเก่าแล้วก็ เป็นจีประชุมประชุมเพิ่งเผาเผาตูแวนนะมืออื่นนะ่ะวันพฤหัสตอนบ่ายตอนบ่ายโมงนเคลื่อนศพและสําหรับพระของเห่าเป็นว้อนอุโบสถ ด, ด้วยพ่อชั้นจังหันแล้วกะครับขามาสละล่องอุโบสถนะมืออื่นนะ่ะบอกกันให้ทั่วถึงลงอุโบสถตอนสิบสิบเอ็ดโมงนะลงอุโบสถในวัดของเห่าแล้วก็ตอนบ่ายเพื่อจะไปงาน ศพของพระตุแวนอันนี้ก็ขอบอกให้พระสงฆ์ทั้งหลายโลวงปบสถยก็หลีกกันได้บ่เป็นยังผวกเฮาเกิดมาเหตุอย่างไรล่ะสิ่งที่บ่ขาดบ่คิดมันก็เกิดขึ้นได้เรื่องความหลมความตายผลในลักณของพุทธศาสนาพระธรรมคัมภสอนของพระพุทธทเจา้าอ่าเพิ่งยังบอกว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะประกอบคุณงามความดีไว้นะ อีกสักมือหนึ่งเข้าจะต้องถึงจุดนั่นแน่ๆต้วยการทุกคนบววผู้ใดจะมียศธานบรรดาักสูงขนาดไหนกระเถอบถึงเข้าจุดจบอย่างบ่เมนต์ตะตูแว่นประสบอุบัตาาิเหตุนายทหารขี่เฮลิคอปเตอร์มากกอย่างมือว่านมือกรก็ตกอยู่จังหวัดเชียงใหม่นมดไปท้งหาดทันขึ้นกัน จะลดหดหูขคือกันนี่แหละเรื่องความตายตูแว่นคงเห้าขคือกันจุดในกดอันใ น, นจังทุกขังอนัตตาคือกันในหลักของพุทธศาสนาพินบริวาได้พระโมคข์ล้าวห่อเหินเดินฟ้าได้เป็นลูกเศรษฐีมาบวชมีบริษัทบริวารพระบริวารตั้งหลายลอยแต่ถึงอย่างนั้นถึงข้าวมากกับเป็นช่องเป็นว่างตึกโจนขาในเมืองกรุงรัชจะคือ เป็นอัครสาวกห่อเหินเดินฟ้านอะไรอีกได้อแต่ถืกโจรขาคนทั้งหลายก็ก้าวขานกันทั้งฟายพระสงฆ์ก็คือกันป้อนนาจะเกิดขึ้นในวงการพุทธศาสนาเป็นอัครสาวกเป็นมิต่ประกอบคุณงามความดีทั้งหมดความสวัสดิ์เปนบุญเตหตุแม่แต่น่อยเดียวเป็นเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นไหนโจรจะข่าเพลินอันนี้ก็คือความโจดขานในครังนั้นคนก็สงสัยกัน เป็นอย่างยังเป็ี่ยนยุคสไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าโ ม, คามกคล่าสมข่วนตายแก่กรรมของตนทีใดกระท่ำไวในอดีตในอดีตชาติพระโมคคราชนี่เคยขาพอ่อขาแม่มา ก, ก่อนบาปกรรมต้นนั้นแหะติดตามมาอยู่โดยตลอดชาตินี้คืเป็นชาติหนึ่งใ น, ใ, นในบาปกรรมจุดนั้นอเนกพระพุทธองค์ท่านกนระตัดเป็นคำว่าว่าเรื่อง อดีตชาติระบัดประโมกละเหตุกรรมจังไหนในชาตินั้นอันนี้หลวงพ่อจะบอกมันละย่ายนะแต่สมองพรองค์ว่สมควนกายตายแก่กรรมที่ตนได้กระทำไว้นะีน่ก็เหมือนกันใ น, นเฮ้าบงจักคือกันพอตู่ไปเหตุอย่างมากในอนดีตชาติของเพิินตอะ น, นั้นเฮ้ามาถึงจุดนี้แหละคือเอาผอมผ้ากันเมียนซทรงสการให้เต็มความสามารถหรือว่าเต็มให้ถูกต้องตาม ขนบธรรมเนียมในท้องทินของเฮ้ามืออื่นเนะี่ตอนบ่ายโมงบ่ายสองนั่นนะจะคงจะเอาศพมาที่ป่าสาวัดของเฮ้าเนี่ยแหละอยู่ในมุมนั่นแหละจะได้ไปชุ่มเพลิงพร้อมกันอันนี้ก็คือแจงข่าวสำหรับลูกหลานผานเน่นในวัด ข, ของเฮ้ากลุ่มของเฮ้าได้รับลูรับราบแต่เหมอว่านหลวงพ่อก็ได้ยินอีกมากอีกขึ้นกันมากจาก เจดียของหลวงตามันยังมีควันหลงอยู่เลยลูกหลานแล้วพอ่อเขบออยากเบาดอกแต่หลวงพ่อเป็นผู้สนับส น, นุนเป็นบอมเอนผู้ตัดสินใจก็บอกแล้วบเบาอกีกถ้าว่าการคอสังเป็นไปตามแนวทีหลวงพ่อเห็นด้วยหลวงพ่อก็จะสนับส น, นุนถ้าว่าเป็นไปตามโมแนวบอมเนหลวงพ่อบอเห็นด้วยหลวงพ่อก็คงจะยั่งมือไว้ก่อนเพราะหลวงพ่อนี่ เป็นความคิดของตัวของตัวเองคือกันเพื่อจะได้ทําบูชาประคุณองค์หลวงตาอันนี้ก็คือแนวของหลวงตาแต่ก็มีปัญหาก็เกิดขึ้นก็ทั้งไฟพ้าด้วยทั้งไฟหยาดย่อมแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อฝ่ายพาะะ้าเนี่ยนะปรคุณจะเข้าไปก้าวกายอยู่มากยังจนเกินไปมอบหลวงพ่อจุดใจซะพอเพิ่นเป็นจออาวาตพกอยู่นอกวัดเลยให้การสนับสนุน ก็น่าจะเพียงพ่อมีขาดเหลือขาดตกกันอย่างให้เป็นเป็นผู้ตัดสินใจซะผัวให้พระเนี่ยก็มบริขารแปมันก็บอกมีเงินมีทองอยู่แล้วก็เป็นนาทีของอุบาสกอุบาสิกาในขัางพระพุทธเจ้าของเฮาขึ้กันบ่มีดอกพระจะไปได้ํำเร็จเป็นพระหานอยู่บนลังค่าบทลังค่าซาลา มีแต่ว่าสำเร็จพระรหารอยู่ในป่าในดุ่งในถำ้ำในเหวในที่สงบสงัดอันนี้พวกเข้าเเบิ่งรู้เป็นแนวปฏิปทาของหลวงตาบอบอกข้ามสองขามกับปฏิปทาบอกข้ามสองข้ามกับปฏิปท า, า, า, า, ปปาแล้วหลวงตาผ้าดำเลื่อนจังไรก็ลูกแกจิตแกใจปนันหลวงพอ่พอกวานนีนะ่ขอฝากไปกับครูใบาจา์ที่เป็นศิษย์ขององค์หลวงตา หงหลวงปู่บุมีก็บ่าว่ากันแะเป็นพระเป็นพระผู้เฒ่าหลวงปู่ลี่ก็เป็นพระผู้เฒ่านับตั้งแต่หลวงพ่ออินเนี่ยแหละลงไปบาดเนีหลวงพ่ออินเธอเด้๋ยวยึดปฏิปทาเนี่ยองหลวงตามากน้อยแค่ไหนให้เบิ่งเจ้าของนะหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินบอกลวอินนะจากนั้นหลวงพ่อก็บอกน้องๆทั้งหลายหลวงพ่อคาดเนอหลวงพ่อสู่ถ้ำเนอะหลวงพ่อบุญจันทร์เนอหลวงพ่อบุญมีเนอะ หลวงพ่อนะ่โนะโล่งเนอะแล้วโคบ่ า, า, า, บายอาจารย์มากมายที่เป็นจิตยาในจิตของหลวงตาอย่ยุดแนวปฏิปทาของหลวงตาเนอหลวงตาผ้าดาเนื่อนจังไรหลวงตาผ้าเฮ็ดจังไรให้พวกเฮ้าเบิ่งเนอะจ์หดปฏิปทาการอยู่การฉันจังไรบิณฑบาตจังไรหลักษานถูหลวงควัตจังไรการคบข่าจะมากมกับขู่กับพ่นเฮ็ดจังไร แนวปฏิปทาของหลวงตาท่านว่าพวัวเข้ามาเป็นอันไซเมอร์นะผัวรื้มไงนะผัวเข้ออามาคงจะระลึกได้ว่าหลวงตาพาดําเนินจังใดแล้วก็พ่อมกันกระบอกไก่พี่น้องเช่าบันตาที่ผ่านเลยพี่น้องเช่าบันตาได้คุณแม่ลูกหลานของแม่อัว่วที่เป็นลูกพี่สาวของหลวงตาแล้วกับกำนัลหนูกำนันหนูพูนลูกหลานของเพิิน ยุบันตาดผู้ใหญ่ยยจัดอพอที่จัดที่เป็นน่องไส้ของหลวงตาลูกหลานที่ย่งอยู่เดียวนี่ยลูกหลานของพ่อสุวรรณแม่สุวรรณยู่บันตาดลูกหลานของพ่อชาลีแม่จันดีลูกหลานของหลานของหลวงปู่บันตาดแล้วกห็หูใหญ่วันดี ลูกหลานของพ่อยัยวันดีอยู่บันตาดพ่อยัยสงลูกหลานพ่อยัยสงที่เป็นลูลกน้องสาวหลาของหลวงตาอยู่บันตาดลูกหลานทุกคนน่ะบาปนี่ยมัเลี้ยงลูกหลานอีกเลยนายสงข้ามในสมัยทิดว้งที่เป็นลูกหลานของหลวงตาบันตาดพวกเฮาอยู่บันตาดตังลมนา่น ว่าบ้านตากนี่ปฏิปทาขององค์หลวงต า, าเนี่ยพาดําเนินจังใดบาเ น, นีกพือพวกที่เป็นเด็กหน่อยที่หลวงพ่อพิยุหันทิดจารวดทิดเจ้าทิดหน่อยแล้วก็ทิดม้อยบัานน่นเดือเคยเป็นเน่นยวนอันนพวกนี่เคยบวชแล้วก็หลายคนอีก เล็กหน่อยก็ามาเป็นสังเกรีวัดสมัยนั้นคู่มึกไอ้จัดไปพญาบาลไอ้เลี่ยมอยู่ในสถานีวิทยุไอ้หนน่อยทิดหน่อยอ้วนลูกคู่ทวีไอ้ลักตะเบิ่มเป็นทหารลูกพญายิ่งสงอันนี้คือพวกถี่มาอยู่วัดคู่ย่า คือเป็นเอมาอยู่เป็นเด็กหน่อยวัดมาหลับใจวัดสมัยหลวงพ่ออยู่ไอ้พวกเล่าทันทั้งหลายทั้งหมดนี่ที่กาวซื้อมาทั้งหมดนี่หลวงตาผ้าดําเนิ่นจังใดผ้าเห็ดจังใดโบแมนทีบองค์ผู้ใดผู้หนึ่งว่ายึดปฏิปทายึดปฏิปทาของหลวงตาแล้วพวกเฮาละ่ะทางว่าลูกหลานทั้งหลายเนี่ยโบอันเซเมอร์นะบ่หลงบ่ลืมได้ง่าย หรือว่ากิเลสความโลภความโกรธความหลงโลภโมโหโลภโหโมโกนะเห็นแกลาภเห็นแกยศเห็นแกเออามิตนินิดนิดหน่อยหน่อยเเกิดออกมาโมโหโกธาออกมากแสดงออกมากอันนั้นมันแนวปฏิปิปทาของหลวงตาบอขนาวปฏิปิปทาของหลวงตาเนี่ยเปิลผ้าดํานเนินจังใดในสมัยเพินมีชีวิตอยู่นะั่นอันนั้นคือปฏิปทาของเพิล มักหน่อยสันโดษผูดเป็นศิลเป็นธรรม อ, อยู่ในหลักประธทับวินัยสิ่งไหนที่มั่นโบดีกับทางโลกเพื่อนชีบอเอาขอมาม่าหยงเหยืะบุญไหว้ให้ไผ่ในวัดปลาบันตาด อ, อันนี้เสียงเรานี่ทั้งหลาย ท, านะทั้งปวงนะที่หลวงพ่อผูดหลวงพ่อเป็นห่วงถึงหลวงพ่อทีอยู่ไก่ก็เธอแต่หลวงพ่อเนี่ยบอแมนผูดตัดสินใจเป็นผูสนับสนุนเท่านั้น เ, เดี๋ยวนี้หลวงพ่อกัเก็บหอมรอมริบไปอยู่เรื่องจตุ ป, ปัจจัย แต่หมากหน่อยมือนั้นแหละกับจิตซอยสมทบเข้าไปสร้างบูชาพระคุณหลวงตาแต่ขบใ ห, ให้สร้างเจดีย์ใช่ทีแรกขบวห้สร้างพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ลี่็บวะวากันหลวงปู่ลี่เพิ่งกระสางแล้วอันนั้นกระสางเพื่อเก็บอัฏฐบริขารของหลวงต า, าให้เป็นที่กราบไหวของลูกศิษย์ลูกหาลูกทัด เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะอัตตาบริขารของพระหันคือหลวงตาเน่ยแต่ว่าทุานก็มองเป็นที่สร้างเนี่เจดีเนี่ยอันหนึง่งเรากั น, นี่ยปิปพิธภัณฑ์นี่คือปิปปปพิธภัณฑ์กับหลวงปู่รี่มันคดละแนวกันก็นคือประวัติเป็นประวัติของหลวงตาอันนั้นคือเก็บอัตาบริขารอันนี้คือประวัติประวัติของหลวงตาส่วนเจดีคือกัน เจดีเนี่ยลุงตาบ่อห้สร้างเอ่อบ่าวลุงตาพูดและอ่านไปศึกษาดูกับลุงตาบ่อห้สร้างแต่บ่อห้สางกว่าเถอะเพราะเหตุใดเอ่ยพ้นก็บอกองค์อื่นได้ท่านหลาขุนสางเจดีแม่ชีกแกว้วสางเจดีใดหลุงปูขาวสางเจดีใดหลวงปูพ้มสางเจดีใดหลวงปูฝันเพ้นเป็นเป็นประธานในการก่อสางเองหลวงปูฝันนะ หลวงตามหาบัวเป็นประท่านแล้วก็หลวงปูมันสมควรสางพระเจดีย์หลวงปูกเสาหลวงตาก็เลยไปเปิดพระเจดีย์ในเมือกเพื่อเขาสางแล้วไปเทศนายอยู่จังหวัดอุบลอันนี้ก็คือหลวงตาบอกแต่สําหรับเพลินสำหรับของเข้ายานะอย่าม า, าคิดสางนะเจดีย์ของเขานะอันนี้คือหลวงตาสมควรจะสางผู้อื่นแต่เจ้าของน่ะ เปิ้ลกับประกาศแก่เพิ่นบอกเพิ่นคือพระอาหารหันต์มัตกิเลสแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือหลวงตาหลวงตาบอกหลวงตากล่าวแต่บัด น, นี้มาถึงห้าเ ข, ข้าของเพิ่นเมื่อเพิ่นบ่อยสางก็จิงยูแต่ห้าเป็นคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลา ย, ยควรจะเชิดชูบูชาเพื่อจะโทษเถิดทุด่นสางพระจิรีองค์หลวงตานะเมื่อสางขึ้นมาแล้วก็เป็นที่เข้ารบสักกะ ของเที่ยวดาและมนุษย์ทางหลายน่านเท่านานอันนี้ก็หลวงพอมีความเห็นอย่างสี่นะในความเห็นของหลวงพอนะ่อแต่ถึงอย่างไงก็ตามหลวงพ่อฝ่าไว้กลับทุกทันเอ่ยหยุดแนวปฏิปทาของหลวงตาหลวงตาพาดําเนือ้ออย่างไรบินบาตอย่างไดฉั้นจังไดเอ่ยันหมือนเดียวจังไดนางอาชนะเดียวฉั้นจังใดขนาดหลวงตาเนี่ยหัวแม่โป่งขาดเนี่ยหัวนิวน้วเท่านะิน้วเท่าหัวแม่โป่งขาดยังนาง ย่างนางสั้นเข่าเอาบาทเขามาย่างเห็นอยู่ในภาพวิดีโอนะเพันย่างฉันให้บาทอยู่ขนาดนั้นละเพนยึดในแนวปฏิปทาของเพลปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จริงเรานีทั้งหลายทั้งปวงใหเบิงเบิงให้ขาดแนวปฏิปทาองค์หลวงตาผ้าดําเนินจังได้อย่าไปหาผู้หาเกาปฏิปทาปฏิปทาเพิลผ้าดําเนินจังได้องเข้านี่ เดือนตามแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงตาสมบูรณ์บริบูรณ์หรือยังตลอดถึงนี่นะหลวงพ่อในบันตาลพันเหตุอย่างถึงหลวงพ่อจ ะ, ปะ ไ, ไปเกี่ยวของก็จริงแต่หลวงพ่อได้ยินได้ฟังนะอย่างพิพิธภัณฑ์หลวงปูลี่ของเห้านะลูกหลกานน้องนองทั้งหลายบรรจุพระพุทธรูปวัยในส เห็นพระพุทธรูปในเฟซเต็มมากเหลือเกินหลวงพ่อก็เดีถามไปหาหลวงพ่อสุธรรมเอ้ยหลวงพ่อสุธรรมเว้ยพระพุทธ ร, รูปเนี่ยเออผเหล็กพาหน่อ ย, ยพราขึง่งเขื ง, ขงาหาสิบเส้นเน่ขึ้นหลายอยู่อ่ะผลจะเอาลงไว้ใส่แล้วนองนุ่งทั้งหลายขั้นเอาลงไว้ในฐานแล้วเอาลงตาขึ้นเป็นนาง ท, างทางั้งเทงน่บยบทใเด้บทถือเด้เอ่อวิบัติเด้เอ่อพ่อเหตุอะไร อหลวงตาเนี่ขนาดพระอยู่ในห้องเพิพนเี่ยบุมีเียมีพระพุทธลูกเพนเิดนอนขวางหนาพระไดจังใดเพลินเขารลบเดะเขารลบพระพุทธลูกเดเพอนั้นเทาจะเอาพระพุทธลูกลงทางใต้ฐานองหลวงตาเนี่ยบอถึงได้สุทัศน์เนอไปบอกลุงนองลุงเสียปวัยใส่เข้าของบัวเไปเบิ่งน้ำอท่านสุทัศนก็บอกให้ท่านบุญมี้ท่านบุญมีไปเบิ่งรู้ท่านบุญมี่ทำเตา อันมมุนีไปเปิเืองเออเขาก็แยกอยู่่อนแยกไว้ออไ ว, ใวนะ้ในฐานนั่นน่ะในฐานั่งไต่แต่หลวงพ่อเอ อ, อเ อ, อาแต่แยกขั้นแต่คิดไว้ก็ดีพมเป็นยังแต่ทิงยังไงก็ตามทึงจะแยกก็อยู่นี่มันหมากหน่อยแค่ไหนอยู่ในฐานนะ่ะเออมอเปนตแต่จะคิดแต่ว่าต่อไปไพยปากหนาให้ฐานแตกกูแตก อ, อล้วก็บพพุทธมีพระออผง ม, มีพระยุหันออกมาจาก ฐานแตกคิดใดเพียงแค่นั้นมันบมถูกนะ อ, อพอหลวงตาเนี่ยเขารบพระนะพระพุทธเจ้านะหลวงตามันนั่งขังพน้นพระพุทธรูปอยู่ข้างล่างเนี่ยโมทูกนะอันนี้หลวงพออ่อโบอ ก, กับท่านทุ่มหลวงพ่อก็เป็นห่วงคือกันนะี่ยสิ่งไหนที่มันโมถูกอจะมันถูกยังไะก็บ่กเป็นหาปัญหาทะลูกหนองนองุนงทั้งหลายท่ถถออถถ า, าถูกหลวงพ่ออนโมตนาซาทุกพอมันถูกจะพิดไดจังใด ถ้ากันได้คิดไว้แล้วเออผมไปยังผมแยกไหวละละเนี่ก็ได้กระบอกไปยัง้งอย่างเหมือนกับเจดีย์ของคุณแม่ชี้แก้วนะหลวงพ่อสั่งเจดีย์คุณแม่ชี้แก้วข้างบนยอดพระเจดีย์หลวงพ่อกับบรรจุพระปรล่มสารีเหลกถาตบรรจุพระพุทธโลกไปทั้งบนทั้งหมดแล้วก็เหรียญคู่บาอาจารย์ที่มีแต่กระดูกคุณแม่เนี่ยหลวงพ่อบาอวขึ้นนะ ทีแรกเพราะยังรูรร้อะไรอะไรบางทีก็คู่บาอาจารย์มากกระดูกคุณแม่เนี่ยเป็นเป็นกระดูกผู้หญิงถึงจะเป็นพระาราหันกะ็เถอะนะเออพระพุทธเจ้าเป็นบัญญัติวินัยว่าภิกษุนีถึงจะบวชร้อยพันสาก็ต้องกราบภิกษุที่บวชในวันนั้นเออภิกษุนีต้องกราบภิกษุที่บวชในวันนั้นนี่ก็คือกัน พิกตุนีคือคุณแม่กัเป็นพิกตุนี่เป็นเมชี่เนะี่ยกับบกควรจะเอากระดูกขึ้นไปขึ้นไว้ทั้งๆั้ควรไว้ในฐานฐานคือที่นางของคุณแม่นั่นนะ่ะแล้วก็โถใหญ่เอไว้ทั้งหลังฝาผนังท้างหลังหลวงพ่อเอาไว้หันเนะี่ยหลวงพ่อคิ ด, ดควร่าสรุปแล้วคือความสูงความต่ำํำกาลเทศะการจัฐานที่บุคคลนะบกควรจะเอาไว้หลงสูงจึงได้ที่สูง กันโมพวกเฮ่านะลูกหลานทุกคนน่ยฟังฟังไหมนะเหตุอย่างพั้นโมจักสูงบโมจักต่านะเกิดมาพบนายชาตินาเนี่ยเป็นข้าราชการเป็นผู้ได้ก็ตามตำแหน่งโบขืนได้เพราะไหนเพราะมันโมจักสูงโมจักต่ำนะมันคือการเมิดวนลงไปเพราะนั้นไงพวกได้กรตามถ้าว่าตำแหน่งโบขึ้นให้คืดไปหลอดวนไปสมัยก่อนนผู้คาเนี่ยก็จะบโมจักสูงบโมจักต่าโมจักกาละเทศการสถานที่ทุกคน พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์วยทวยุคุณวุฒยผู้ขานขึ้นจะตีหลวดขวดเพียงผมมีสูงมีต่าตำแหน่งของขาไปเจ้าจึงบกขึืดให้คึ้จังจันไว้แต่สําหรับหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินก็ขึ้นขึ้นกันหลวงอินพ่อแล้วลงไปอบ่ได้สั้นดินสั้นดดได้ขนาดหลวงพ่ออินพ่อแล้วอบ่ า, าให้มากแตามันได้ความดีปก็ดี แต่ว่าพ่อบ่พ่อหลวงพ่อพ่อแกแกแ ก, การเป็นอยู่ของเจ้าของเรียกว่าสันตุถีนะนะสันตุจกโกหลวงพ่ออินทวายสันตุจกโกนะนะไปว่าผูสันโดดผูจักการเป็นอยู่พ่อเพียงนะเอาตอนนี้ไปชะนี่ไอ้สมชายมันห้องแล้วลูกหลานเนีมันบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเศร้าเๆร้าเศร้าอย่าไปหาทรงออกนอกทรงออกนอกปัญจวันฉนนะ พวกหลูกหลานถลายฟังอฟังได้แก่ส่งออกนอกตามนะหลวงพอว่อบอกให้ฟังเป็นแนวความคิดนะตอนในไปพระสงอนุโมทนาใหาพ้พรและพ่อนนะ